ขอโมนธนะกับโยมโจ้นยที่มาทำบุญพร้อมด้วยคณะแล้วก็ญาติโยม ที่ไม่ได้นัดกันก็มาร่วมกันเลยคือได้มีโอกาสเนี่ยเจริญกุศลกันก็คือกุศลที่ตั้งใจมาเจริญก็คือได้แจ้งที่เคยแจ้งกัาไว้ก็คือเกี่ยวเรื่องการปรารถนาที่จะปารบเจริญกุศลแล้วก็ทราบข่าวว่าที่ผ่านมาเวลาทาบุญแต่ละครั้งก็เหมารถบัสไปทาบุญเยอะ แต่อันนั้นโดยมากเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่บุญทอกนะมีบุญปลอย่างอื่นแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใหม่ในฐานะเป็นอุบาสกและวเขาแปลผู้เข้ามานั่งใกล้ชิดพระรัตนตรยัยใกล้ชิดพระพุทธเจ้าใกล้ชิดพระธรรมแล้วก็ใกล้ชิดพระสงฆ์คําว่าใกล้ชิดในที่นั้นก็หมายความว่าเข้ามานั่งใกล้เนี่ยท่านขับเน้นเรื่องการใกล้าทางจิตใจมากกว่าการใกล้าทางกายนะ ทางจิตใจก็คือว่ามีพระพระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าที่ท่านใช้คําว่าอัชชาตะเคปานุเปทังบุธงงงังสรณนังกชามิธรรมังสระนังกฉามีสังขังสระนังกชามิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอถึงพระพุาาาทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระเป็นที่พึ่งเป็นที่กําจัดภัยเป็นตลอดชีวิตนั่นเองคือตราบใดลมหายใจของข้าพเจ้ายังมีอยู่ข้าพเจ้าก็จะมีพระพุาาาทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเป็นสรณะ เอาลมหายใจเป็นตัวตั้งถ้าลมหายใจขาดอันนั้นก็าอีกทีท่านยังเป็นบุดุชนอยู่สาระจะขาดเมื่อลมหายใจขาดแต่ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่จกไม่ให้สาระคมขาดและจักไม่ให้สาระคมของเข้าไเจ้านั้นเศร้าหมองอะไรคือขาดการที่ไปนับถือสิ่งอื่น ไปนับถือสิ่งอื่นที่นอกจากพระรัตนตรยัยอันนั้นเ้าเรียกว่าขาดแต่ถ้าเศร้าหมองก็หมายความว่ายังไม่จริงจังในคุณของพระรัตนตรยัยแปลว่ายังนับถือหลายๆอย่างรวมๆกันก็กลายเป็นเศร้าหมองไปแต่ในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าจะเป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเนี่ยนะอย่างตั้งมั่นอย่างชัดเจนที่บอกว่าถึงแม้ใครจะเอามีดมาจ่อที่ ศีรษะหรือที่คอบอกว่าถ้าหากไม่นับถือพระพุทธเจ้าจะตัดศีรษะท่านให้ขาดให้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ก็จะยืนยันว่าจักไม่พูดอย่างนั้นเด็ดขาดจะพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ลักษณะอย่างนี้เป็นการยืนยันชัดเจนแล้วก็ไม่เสียดายชีวิตนั่นเองาเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้ว ทีนิมนาในวันนี้ก็คือตั้งใจในกรณีที่ว่ามาถวายท า, าทานมาบเพ็ญทานนกุศลได้เคยพูดไปแล้วว่าโดยเฉพาะวันเกิดที่หลายๆท่านก็ปาลบันเนี่ยพอมาถึงวันนี้ก็นึกถึงวันที่เราคลอดจากครรมารดาหรือจากแม่ทีนี้ถ้าเรามาคิดอย่างนี้ก็ต้องทำให้เราระลึกถึงอะไรระลึกถึงบุญคุณของแม่ แล้ก็บุญคุณของบุญบุญคุณของแม่ก็คือว่าเออวันเนี้ยเป็นวันที่แม่ทรมานอะไรก็ว่ากันไปเด้พ่อก็ทรมานทุกและอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม่ก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็ทุกไปด้วยนั่นเองสรุปก็คือว่าเราได้ได้ลืมตาดูโลกแต่ว่าการเกิดมาเนี่ยถ้าเรามองในชั้นคําสอนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันในยะเดียวกัน แต่ถ้ารู้ความจริงตรงนี้แล้วมันทําให้ได้ความสุขการรู้ว่าการเกิดการแก่การเจ็บและตายเป็นอัตตาเดียวกันแล้วมันก็จะตามมาด้วยความโศกความร่าไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้นเราเนี่ยนะสรุปก็คือว่าต่อมาเนี่ยเราก็ทุกข์โดยการสแสวงหาทุกขเพราะการรักษาแล้วก็ทุกเพราะการที่สิ่งมันจะต้องแปลไปสรุปก็คือทุกนั่นแหละ แต่จริงๆก็คือว่าถ้ามองในในยะของบุญกุศลการได้อัตภาพของการเกิดเป็นมนุษย์มาจากกุศลและการที่เรามีแม่ก็มาจากกุศลนั่นเองมีแม่ที่เป็นมนุษย์เป็นต้นเ่า น, นีตรงนี้ท่านเลยให้คิดถึงคุณของแม่และก็นึกถึงคุณของบุญด้วยที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์มาจากอะไรมาจากศีลห้ามาจากกุศลกรรมบทช0ิบฉะนั้นตัวศีลห้านะ เจตนาที่เป็นไปในศีลนั่นเองเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลนวิตรกรรมศีลที่เกี่ยวกับการไม่ก้าวล่วงปานาติบาศไม่ก้าวล่วงอาทินาทานไม่ก้าวล่วงกาเมสุมิชฌาจารไม่ก้าวล่วงมุสาวาตและก็ไม่ก้าวล่วงต่อการดื่มสุราเมีัยศีลห้าและก็กุศลกรรมบทสิบก็คือไม่ก้าวล่วงปานาติบาศอาทินาทานการเมสุมิชฌาจารมุสาวาตภิสุณาวาจาพุทธสาจาสัมภปราปะ อภิชาพยาบาทแล้วก็สัมมามทิฏฐิสภาพที่ไม่ก้าวล่วงอกุศลกรรมบท10แต่เป็นธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยกุศลกรรมบท10คือกายสุจริตสาวจีสุจริตสีมโนสุจริต3านั่นแหละสีนหและกุศลกรรมบท10อันนี้ต่างหากที่เป็นปัจจัยทำให้โยมโจรหรือว่าคณะที่มากันหรือว่าเราที่มาร่วมร่วมกรรมบุญในวันนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์ ฉะนั้นบุญต่างหากทําให้สัตว์โลกได้เกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วคําว่ากตตัญญูจึงต้องรู้คุณของศีลห้ารู้คุณของกุศลกรรมบท10เมื่อรู้คุณของศีลหรู้คุณของกุศลกรรมบท10แล้วเราก็ตอบแทนดิการตอบแทนก็คือตอบแทนก็คือว่าตอบแทนศีล5ด้วยการสมาทานศีล5้า ตอบแทนกุศลกรรมบท10ก็ด้วยการสมาทานกุศลกรรมบท10เห็นหฉะนั้นกุศลกรรมบท10หรือศีลหกุศลกรรมบทส0เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตอบแทนถ้าไม่ตอบแทนถ้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้น hè, มาจากศีลหการมาเกิดเป็นมนุษย <c oughs> ์เป็นต้นมาจากกุศลกรรมบด10ถ้าไม่รู้นะเขาเรียกไม่รู้ไม่รู้คุณของบุญ ถ้าไม่รู้คุณของบุญอันนี้เขาเรียกว่าอักตรันอยู่ไม่รู้คุณของบุญคิดไม่ไดนะ้ว่าเรามาได้เพราะบุญทีนี้ถ้าไม่ตอบแทนคุณของบุญเ็าอีกก็คือไม่ทำศีล5และไม่ทำกุศลกรรมรบท10ให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ตอบแทนคุณก็เป็นเาเรียก อัคตันยูอัคตาเวทีก็ว่าเซึ่งก็เป็นคำที่หนักนะจริงๆแล้วนะก็แปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตเมื่อลม้มหายใจขาดจากไม่ได้มีโอกาสเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ตอบแทนคุณก็ไม่เจริญนั่นเองถ้าเราลูก ม, มุมอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็คือว่าฉะนั้นในวันนี้ก็ก็ต้องหน้าโมทนาที่ตั้งใจมาเจริญกุศลนี่นะ ที่ให้มุมคิดอย่างนี้ก็คือต้องการอยากให้เรานั้นได้เข้าใจกระแสของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่พบนี้พบเดียวกระแสของชีวิตมันต้องดำเนินไปเรื่อยๆแต่การจะดาเนินไปเรื่อยๆโดยไล้จุดหมายปลายทางไม่ได้อีกแล้วมันต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการที่จะตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูก เพราะการตั้งเป้าหมายของชีวิตที่ถูกเนี่ยก็แปลว่าจับหลักให้ถูกที่ในชั้นคำสอนที่ใช้คำว่ารู้เนี่ยทำไมเราต้องมาเรียนรู้คำสอนก็คือเรียนรู้เรื่องเหตุท่านในชั้นคำสอนก็เรียนรู้เรื่องพระวินัยปิดกพระสุตตันตปิดกพระพิธรรมปิดกถ้าขยายออกไปก็คือว่าทีขณิกาย มชิมนิกายสังยุตตะนิกายอังคุตะรนิกายขุทักกานิกายก็นิกาย5ถ้าองค์กล่าก็สุตตะเคยยะเวยาการาาานราคาถาอุทานอิติวตกาก็ว่าไปตามลําดับสรุปก็คือต้องรู้พระบาลีต้องรู้พุทพธพจน์ต้องรู้คําสอนของพระเจ้าที่เขาเรียกว่ารู้ธรรมะถ้าไม่รู้พระธรรมก็คือถ้าไม่รู้จกักศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่รู้จักทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศ ล, น, ศ ล, ลา น, าศนี้เขาเรียกไม่รู้จักพระธรรม ไม่รู้จักพระธรรมก็แปลไม่รู้จักขีดทีนี้รู้จักพระธรรมรู้จักขีดต่างๆเหล่านี้แล้วประการต่อมาที่ท่านใช้คำว่ารู้จักผลอัถฐาก็รู้จักเนื้อความรู้จักความหมายที่แท้จริงความหมายของเจตนาทานเป็นอย่างไรความหมายของอะโลพาทานคือสภาพจิตที่ไม่โลภไม่ยึดติดเป็นอย่างไรความหมายของวัตถุทานคือวัตถุสิ่งของที่วันนี้ที่โยมโจและคณะนานมานี่ เริ่มตั้งแต่โคมไฟเป็นต้นเ่านเนี้ยเนียอามาก็ถามแต่ที่แรกว่าครบสิบอย่างไหมคือพูดต้องการองไรว่าครบตามเนยยะของพระสูตรหรือไม่เราเจ้าบอกเกินนนคืออามาคือถ้าตามเนยยะของพระวินัยเนี่ยจะบอกว่าให้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโ ร, โรคแล้วก็อาหารอันนี้คือสี่อย่าง ถ้าตามในยะของพระสูตรก็อันนางคาั ง, งอันนงอันนงปานังคลังวัดถังเป็นต้นก็หมายความว่าให้ข้าวให้น้ําให้ที่อยู่อาศัยก็ว่าไปตามลำดับไปจนถึงประการสุดท้ายก็คือแสงสว่างถ้าในชั้นคําสอนเขาจะบอกว่าอันนางก็คือการให้ข้าวปานังก็คือน้ะนะําบรรณะคาังก็คือการถวาย กุติวิหารเนี่ยนยีวัดถังหรือวัตถุทานก็คือการถวายผ้ามาลาก็คือดอกไม้คันทะทานก็คือคันคันโทก็คือของหอมวิเรปรนังก็เครื่องรูปหลายเสยยะทานก็คือเครื่องนอนเครื่องดีใจทําให้นอนนั่เนเองอาวาสนังก็คืออาวาสแล้วก็ปฏีไปยังก็แสงสว่างมีสองในนะ อีกนายหนึ่งท่านก็พูดถึงในเรื่องของการใค้ข้าวให้น้ำให้ผ้าแล้วก็ให้ยานพาหนะก็เป็นพวกร่มพวกรองเท้าแล้วก็ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่เครื่องนอนแล้วก็กุฏิวิหารตลอดถึงเครื่องให้แสงสว่างอันนี้ในยะของพระสูตรอันนี้ก็ส่งเคาะได้ ประการต่อมาก็คือให้รูปเป็นทานก็คือรูปประธานังก็คือให้สีสัทธาทานังก็คือเสียงคันธาทานังก็คือกลิ่นระสสาทานังก็คือรสอาหารนั่นเองเกี่ยวกับรสหรือรสเกี่ยวกับการใช้สอยได้โพธพะทานังก็คือเย็นร้อนก็มีอยู่แล้วเนี่ยโธพธิภะมีเครื่องใช้สอยต่างๆเหล่านั้นเยอะนีนั่นแหละแล้วก็ ธรรมะทานังก็คือเกี่ยวในเรื่องของกลุ่มวิตามินที่จะมีการถวายอาหารถวายโอชาหรือถวายยาเป็นต้นสรุปก็คือว่าเราได้ให้ตามในย่ของพระวินัยก็ครบพระสูตรก็ครบแล้วก็พระพิธรรมปิโดก็ครบสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็คือให้อันนั้นก็คือว่าวัตถุประสงค์หนึ่งตอนนี้เรากําลังมาแจกแจงเรื่องตัววัตถุทานนั้นตัววัตถุทานทั้งหลายที่มาพิจารณา สิ่งต่างๆเหล่านี้อันนั้นคือวัตถุทานแต่ที่ข้ามเลยมาก็คือพูดถึงในเรื่องของเจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้เพราะจิตที่คิดจะให้เนี่ยก็เริ่มน้อมเริ่มทําความเข้าใจที่กล่าวกันบ่อยมากที่สุดก็เรื่องของสัพพุริสทาน5แล้วก็สัพพุริสทาน8ศรัทธาทานก็คือให้ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระราตนาตรัยว่า ในการนี้เป็นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงดำรงอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมและพระาธาตุเป็นต้นฉะนั้นการปรินิพานของพระบรมศาสดามีสามประการย่งไม่กิเลสนิพานณโพธิบัลลังก์ขันธ์ปรินิพานที่กุศินาลาส่วนธาตุปรินิพานนั้นจักมีในอนาคตฉะนั้นการนี้เป็นการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพันปีตอนนี้ล่วงมาแล้วสองพันกว่าปีและ ฉะนั้นเป็นบุญญาลาภของเราแล้วน้อที่ได้มีโอกาสมาเกิดในการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นมาและพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กําลังดําเนินเป็นไปอยู่อันนี้ก็น่าปลื้มใจที่กระแสชีวิตของเรามันไม่ขาดเบื้องตนยังได้มีโอกาสมาพบเจอเจอคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมาเกิดในการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญญาลาภของเราแล้วนอก็ตั้งหลักให้ถูก แปลว่าเราพ้นจากขณะทั้ง8เราอยู่ในอักขณะที่9ขณะทั้ง8ก็คือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นคนวิการบ้าใบบ่อนนัวทั้งหลายเป็นคนโง่เซ้อซะไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ได้เกิดเป็นมิจฉาทิฐิไม่ได้เกิดไปในภพภูมิที่ไม่เจอพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่มาเกิดในการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลังดําเนินเป็นไปอยู่ อันนี้ก็ตั้งอัทยาศัยว่าเป็นบุญยาลาภโอกาสอย่างนี้หาได้ยากนักหนาให้ตั้งหลักอย่างนั้นนะหาได้ยากมากๆทำไมจึงหาได้ยากเพราะว่านานนทีจะมีการอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นเอกบุรุษของโลกนี่นะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็หลั่งไหลามาจากหาไทยของพระเจ้าออกจากพระโอษฐ พระธรรมที่ออกจากพระโอษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากนิลมิตรให้กับปุรชนเป็นพระโสดาบันให้พระโสดาบันเป็นพระสกทาคาห์ให้พระสกทาคาห์เป็นพระนาคาให้พระนาคาเป็นพระลรหันบรรลุกันนับไม่ได้นับไม่ถ้วนเราได้เกิดมาในการของพระลรหันตาเจ้าทั้งหลายแล้วนี่พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินไปอยู่พระสาวกของพุระเจ้าซึ่งเป็นพระาญะทั้งหลายมีเป็นจํานวนนับไม่ถ้วน พระธรรมคำสอนมายกอยู่เรื่องเรื่องหนึ่งนะมีอยู่สมัยหนึ่งที่พระบรมศาสดาจะเสด็จไปที่ไปโปรดนางนันทมารดาตอนนั้นท่านพระเจ้าเปร์เซนที่โกศลก็ดิอนาถาปินิกาเศด็ีนางวิสาขามาวาัสิกาตลรอถึงใครๆก็พากันวิตกว่าไม่สามารถนิมนต์พระบรมศาสดาให้หยุดให้อยู่ที่พระเชตวันได้ก็ไม่ทราบว่าพระศาสดาไปแล้ว อีกนานเมื่อไหร่ถึงจะเสด็จกลับมาท่านก็ไปนั่งคิดเศร้าใจอยู่อนาถานิปินทิกะเศรษฐีตอนนั้นนางปุนาซึ่งเป็นคนใช้ก็ไปถามว่านายนายคิดอะไรอยู่หรือเนี่ยแล้วก็อนาถาก็บอกพระาศาสดาจักเสด็จไปแล้วไม่ทราบจะกลับมาเมื่อไหร่นางก็เลยบอกว่าถ้าดิฉันสามารถนิมนต์พระาศาสดาให้เสด็จกลับ อยู่เชตวันได้นายจะว่ายังไงอ น, นาถาปิณฑิกาเศรษฐีก็บอกว่าจักให้ความเป็นไทยแก่ท่านเธอก็ไปเลยไปเบสเสร็จก็บอกว่าดิฉันเป็นคนอาศัยผู้อื่นอยู่สรุปก็คือเป็นทาสนั่นเองข อ, อนิมนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เชตะวันเธออย่าพึ่งจาริกไปที่อื่นเลย พระศาสดาถามบอกว่าเธอมีอะไรใช่ไหมเธอมีอะไรจะให้ในทํานองอย่างนั้นนั้นะเธอก็บอกเธอเป็นผู้อาศัยบุคคลอื่นอยู่แต่ถ้าพระศาสดาอยู่ดิฉันจะสมาทานศีลแล้วก็กุศลกรรมบวชศีลพอพูดอย่างนี้พระศาสดารับทันทีเลยทําไมพระปรมศาสดาจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับรับนาง ทั้งที่นางเป็นแค่ทาสีคนใช้นั่นคือความเคารพในพระสัตธรรมเพราะถ้านางอยู่นางจะได้คุณธรรมเบืงสูงใช่ไหมนั่นแหละการเคารพพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพเจ้าเคารพโลคุตลาธรรมก็ทําให้คิดว่าทําไมเราลาถนาพระเจ้าไม่ไม่กลับบองบอกถึงอะไรรู้ไหมเราเป็นคนที่ศรัทธาไม่มั่นคง ถ้าวันใดวันหนึ่งเราศรัทธามั่นคงเราจะอรัตนาพุทธเจ้าได้อราตนาสาวกของพุทธเจ้าได้นั้นคนที่มีศรัทธาเท่านั้นที่จะสามารถอราตนาพระรตัตนตรัยได้ก็เพิ่มศรัทธานี้พระศาสดาไม่เห็นโลกรุตละคุณในกระแสชีวิตของเราเราจรึงอราตนาพุทธเจ้าไม่ค่อยได้กันตั้งหลักใหม่ได้ไหมต่อไปก็ทําสัดทินรียให้แข็งแรง ตั้งอัธยาศัยให้มั่นต่อไปเราอาราธนาพระาศาสดาพระาศาสดาจะรับเราทันทีเพราะพระาศาสดาเคารพในโลกุตระธรรมนีฉะนั้นถ้าเราจะอาราธนาพระบางทีพระท่านอาจจะไม่รับอะไรต่งตางๆท่านอาจจะมองเห็นอะไรเราอยู่ก็ได้ใช่ไหมตรงนี้อ่ะฉั้นขอให้มีศรัทธาเถอะพระเจ้าจะเข้าไปหาท่งบอกว่าเบื้องต้นเลยนะหนึ่ง ว่ามีศรัทธาจะเห็นพระพุทธเจ้าไหมและในบรรดาผู้ที่มีศรัทธาจะเห็นพระพุทธเจ้านั้นน่ยต้องมาแยกมีแค่ศรัทธาแค่ศรัทธาที่ต้องการเห็นกับมีศรัทธาด้วยต้องการจะฟังธรรมด้วยต้องแยกเป็นสองยงพวกใช่ไหมฉะนั้นคนมีแค่ศรัทธาที่จะเห็นก็ถูกถูกตําหนิด้วยเหตุนั้นๆเพราะเพียงแค่เห็นแต่ผู้ที่มีศรัทธาที่จะฟังพระธรรม ก็ถูกสรสรเสริญเพราะเหตุนั้นนั้นเหมือนกันในบรรดาผู้ที่มีศรัทธาท่านก็มาแยกอีกแยกเป็นว่าศรัทธาที่ฟังทำฟังแบบตั้งใจกับฟังแบบไม่ตั้งใจก็มาแยกเราก็ต้องรู้คนที่ฟังพระธรรมแบบไม่ตั้งใจก็ถูกตาหนิด้วยเหตุที่ไม่ตั้งใจส่วนคนที่ตั้งใจฟังก็ถูกสรสรเสริญเพราะเหตุที่ได้ตั้งใจทีนี้ในบรรดาบุคคลที่ตั้งใจก็ต้องมาแยกอีก เมื่อตั้งใจฟังแล้วเนี่ยสองกลุ่มนเนี่ยแยกเป็นสองว่าฟังแล้วทรงจําได้กับฟังแล้วทรงจําไม่ได้กลุ่มที่ฟังทำเนี่ยแต่ไม่ยามจําไม่พยายามสั่งสมสุตตะไม่พยายามฟังให้เกิดความเข้าใจก็ถูกตาหนิด้วยเหตุนั้นๆไปส่วนกลุ่มที่ฟังแล้วตั้งใจตั้งใจแล้วทรงจําได้ก็ถูกสรารเสริญเพราะเหตุนั้นๆในบาง ในประการบุคคลที่ตั้งใจแล้วก็ทรงจำพระธรรมได้ก็ยังต้องมาแยกเป็นสองคือฟังทรงจำได้สั่งสมได้ดีแล้วกลุ่มที่นำมาพิจารณากับไม่ได้พิจารณาแล้วอยู่กลุ่มไหนถ้ากลุ่มที่มาอยู่พิจารณาก็ถูกสรเสริญไม่ยอมพิจารณาก็จะถูกตาหนีเพราะเหตุนั้นนันในบรรดากลุ่มที่พิจารณานี่นะก็ต้องมาแยกอีกว่าพิจารณาแล้วสามารถเข้าใจอัฏะเข้าใจธรรมะ อย่างลึกซึ้งในพระธรรมนะั้นหรือไม่หรือฟังแค่พิจารณาแต่ไม่สามารถทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นมาได้ก็ถูกตําหนิว่เาเหตุที่พิจารณาแล้วไปอ่อนแอการพิจารณาก็เลยไม่ยอมแทงตลอดหรือเข้าใจใดๆได้ได้บรรดากลุ่มที่พิจารณาท่านก็นมาแยกไปตามลําดับพิจารณาแล้วปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรมกับพิจารณาแล้วไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรม คือเข้าใจอัฏฐาแล้วต้องปฏิบัติทำตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมกลุ่มนี้ก็ถูกสารเสริญอันนี้เขาเรียกบุคคลต้องเข้าใจตนเองอย่างนี้ด้วยว่ามีศรัทธาแค่ไหนมีศีลแค่ไหนมีสุตตะแค่ไหนมีจารค่าแค่ไหนแล้วก็มีปัญญาแค่ไหนอย่างไรอันนี้เขาเรียกดูตนเองแล้วก็ดูบุคคลอื่นประกอบทีนี้เมื่อเราได้มุมคําสอนหรือเกิดความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ มาใค่ควนราพิจารณาเราจะเห็นว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันด้วยการอย่างนี้ที่ภะาษาสดาทรงเข้าหาและไม่เข้าหาปโปรดหรือไม่ปโปรดอันนี้ก็จะได้อ่านตัวเองออกว่าทำไมกระแสชีวิตจึงรอดโลกุดละธรรมาแล้วรอดมาเราก็เพราะคุณสมบัติเรายังไม่พอแต่ไม่ใช่ท้อเราจะเพิ่มสักวันหนึ่ง เราจะอาราธนาพระเจ้าให้ท่านอยู่ได้ใช่ไหมแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มพัฒนาพัฒนาศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาก็ว่าไปพยายามเพิ่มอินทรีย์หเพิ่มชั้นทะาทีนี้ในกรณีการเดินทานกุศลการกุศลก็มีสามประการมีท่าสถานสหายทานแล้วก็สามีทานถ้าท่าสถานก็คือว่าให้ของที่ แย่กว่าที่เราใช้สอยสายทานเราใช้อย่างไรก็ให้อย่างนั้นสามีทานก็แปลว่าให้ของที่ประนีตถามว่าทําไมเราขับเน้นขอวัตถุประณีตด้วยแต่จริงๆด้านจิตใจจิตใจที่เรามาปรุงแต่ง ก, ก็คือว่าการให้ทานเนี่ยหึให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระธนตรยัย 2. ให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยความเคารพที่เขาเรียกว่าสักการทานก็คือนอบน้อม กายวาจาและใจของเราก็สะอาดหมดจดบริสุทธิ์ของก็สะอาดหมดจดบริจุทธิ์และการให้ก็ให้ด้วยความกังวลบคือให้ด้วยมือของตนเองอะ่ะเราบอกเรามีมือมีอเท้าเนี่ยเดินทำบาปมาในสังสารวัตมามากฉะนั้นคราวนี้เราจะใช้มือใช้เท้าใช้วิวัฒน์ของเราประกอบปุคุณีงามความดีชนไหนเลยเราจะไม่ทํำด้วยมือของตนเองแล้วก็เป็นการละทานก็คือเหมาะสมแก่การด้วยใช่ไหมของใช้ทั้งหลายโดยเนี้ย เป็นการละทานเป็นการเหมาะสมแก่การเวลาด้วยเหมาะสมแก่เวลาที่มาถวายเหมาะสมแก่การเวลาสมัยที่เรามาเกิดเป็นไปอยู่อะไรก็พิจารณาได้เยอะแยะในด้านการลทานทั้งข่าวใหม่ของใหม่อะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะประการต่อมาก็คือเป็นอนุขีตาทานคือให้เดบอนุเคราะห์คือสละขาดให้แล้วไม่ยึดโยงด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิด้วยมานะไม่เห็นผิดไม่สําคัญผิดแล้วก็ไม่ถือผิดสละได้ด้วย อนุภาจตทานก็คือให้แบบไม่กระทบตนและบุคคลอื่นไม่ใช่ไปให้เพื่อจะไปคมคนอื่นหรือจะทําให้ตนเองด้อยหรือเสียหายลงแต่เป็นการให้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆประการต่อมาก็คือให้เนืองนิดก่อนให้ไ้มให้เนืองนิดเนี่ยแปลว่าให้เป็นประจําให้เสมอๆให้แบบไม่ขาดเลย ถึงแม้วาละที่ไม่ให้ก็เอามาลึกตลอดเวลาทำกระแสจิตที่เป็นไปทั้งปุพหะเจตนามุนจัดเจตนาอภราเจตนาอย่างต่อเนื่องในขณะให้ก็ดีใจเนื่อเลื่อมใสเกิดเป็นไปกับเลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับยานปัญญาถ้าอย่างนี้ชัดเลยถามว่าทําไมถึงกล้าสละวัตถุเหล่านี้เพราะยมเจ้าต้องมานั่งคิดว่าเพราะต้องการทําลายโลภะที่ยึดติดในตัววัตถุทานเหล่านี้ โลพาจะได้ถูกทำลายเพราะการห่วงเพราะการยึดติดสิ่งของนี่แหละเมื่อโลพาถูกทำลายไปอาโลพาคือความไม่โลภก็จะเด่นขึ้นในใจทำไมเราต้องบูชาพระรัตนตรัยเพราะพระรัตนตรัยนั้นเป็นปฏิฆาหกคือผู้รับที่บริบูรณ์ทำไมเราน้อมถวายสงเพราะว่าปฏิฆาหกนั้นเป็นผู้บริบูรณ์เป็นผู้บริบูรณ์ไม่ทุศีนเป็นต้เนเราก็ ทำลายโทสะในปฏิคาหได้ด้วยเมื่อโทสะถูกทำลายใจก็ดีใจก็ผ่องใสทำไมใจเราจึงไม่ผ่องใสเพราะโทสะเพราะอิสาเพราะมัชริยาเพราะกุกุจักสภาพธรรมเหล่านี้แหละที่ทําให้จิตคุณมัวฉะนั้นเมื่อเราน้อมเห็นคุณของปฏิคาหเช่นเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะมองในแง่ของสรีละคุณเราก็เห็นอย่างมากมาย มองทางด้านพระธรรมคุณก็เห็นอย่างมากมายฉะนั้นเราน้อมถวายในลักษณะอย่างนี้ปฏิคาหกจึงทำลายโทสะได้เลยอะโทสะคือความไม่โกรธธรรมชาติที่ไม่ประทุศส้ายธรรมชาติที่ไม่โหดร้ายต่ออารมณ์ก็เด่นขึ้นสภาพที่เยือกเย็นเหมือนกับพระจันทร์วันเพนก็ผ่องใสขึ้นในใจแล้วอย่างหนึ่งเป้าหมายทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นไปกับปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเป็นดวงประทีป เป็นดวงประที่เป็นแสงสว่างที่จะนำหน้าให้เห็นกรรมและเห็นผลของการกระทาลักษณะอย่างนี้เขาเรียกกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เข้าใจกรรมและผลของกรรมก็เด่นชัดขึ้นเด่นชัดขึ้นตรงนี้ก็บริหารความเข้าใจอย่างนี้ก็ถึงบอกว่าก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นบุญของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะเนี่ย ทานของเราบริสุทธิ์นอปฏิฆาหกผู้รับก็บริสุทธิ์เนอเป็นต้นเหล่านี้น้อมพิจารณาวันนี้วันนี้ครบรอบวันเกิดที่เราสมมุติกันตามทางโลกแต่เราได้มาประกอบกุศลอย่างนี้แล้วก็ยังความปราบปื้มใจที่เป็นไปกับปัญญาเกิดขึ้นว่าเราจะทำวันนี้ให้เป็นที่ตั้ง ของการเข้าถึงพระรัตนตรและกุศลกรรมบท10ตลอดถึงศีหให้หนานแน่นแล้วก็จะเดินทานกุศลศีลกุศลแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ภาวนากุศลแล้วก็เริ่มคิดนะคือการสละเราจะเริ่มสละที่บอกพุทธเจ้าตรัสคือในอิติวุตกาศเนี่ยบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายเห็นผลของทานอย่างที่เราตถาคตเห็น คือจักไม่ให้ทานก่อนบริโภคเป็นไม่มีจักไม่รักษาศีลก่อนบริโภคเป็นไม่มีจักไม่บําเพ็ญเนคขมะปัญญาวิริยาเป็นต้นเหล่านี้นีก่อนก่อนบริโภคก็คือสรุปก็คือจะเดินทานในกุศลเพราะเห็นผลของทานในกุศลว่าทานกุศลเนี่ยทำลายโลภะทําให้อโทสะเด่นขึ้นด้วยอโลภะเด่นขึ้นด้วย และทานกุศลเนี่ยเป็นไปผลของทานนั้นก็คือทําให้ความสมบูรณ์ของตาหูจมูกลิน้นกายใจยความสมบูรณ์ของพบชาติและความสิ้นพบชาติเป็นอาการปรากฏใช่ไหมเหตใกล้ของทานกุศลก็คือศรัทธาศรัทธาในพระรัตนตรยัสยสัทธยาประทัฐานหนังมีศรัทธาเป็นเหตุใกล้มีความเชื่อต่อการตรัสรู้ดีของพระเจ้านะและอย่างหนึ่งก็คือทานกุศลเป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผลด้วย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 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระชนเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลส ผู้ไกลจากกิเล่ตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตัสสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระธรรมด้วยนอบน้อมพระสงฆ์ด้วยนอบน้อมพระสงฆ์ด้วยด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระอริยสงฆ์ ขอบูชาพระอริยสงฆ์ในวันนี้ในวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายข้าพเจ้าขอน้อมถวายเครื่องให้แสงสว่างเครื่องให้แสงสว่างเป็นประธานเป็นประธานและมีสิ่งของทั้งหลายและมีสิ่งของทั้งหลายเป็นบริวารเป็นบริวาร เพื่อน้อมถวายบูชาคุณของพระรันะ ต, ตนตรัยด้วยการน้อมบูชาในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอบูชาตั้งเจตนา ให้เป็นไปด้วยการนอบน้อมให้เป็นไปด้วยการนอบน้อมเป็นศรัทธาทานเป็นศรัทธาทานเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นในกรรมและผลแห่งกรรมเชื่อมั่นการตรัสรู้ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมั่นในการตรัสรู้ดีของพระสัมมาความเป็นธรรมดีของพร ะ, พระพธรรม การเป็นธรรมดีของพระธรรมและการประพฤติปฏิบัติดีของพระสงฆ์และการประพฤติปฏิบัติดีของพระสงฆ์เป็นสักกัจจทานเป็นสักทานให้ด้วยความเคารพนอบน้อมให้ด้วยความเคารพนอบน้อมเป็นการละทานเป็นการลทานให้ถูกการถูกเวลาให้ถูกการถูกเวลา เป็นอนุขหิตทานเป็นอนุหิตทานให้โดยอนุเคราะห์สละขาดให้โดยอนุเคราะห์สละขาดเป็นอนุปหัจทานเป็นอนุปหัจทานให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นด้วยทิฏฐิมานะเป็นต้นด้วยทิฏฐิมานะเป็นต้นให้แบบสม่ำเสมอให้แบบสม่ำเสมอให้เนืองนิด ให้เนืองนิดในขณะให้จิตใจก็เลื่อมใสในขณะให้จิตใจก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจให้แล้วก็ปลื้มใจที่เป็นไปกับยานปัญญาที่เป็นไปกับยานปัญญารู้กรรมและรู้ผลของกรรมรู้กรรมและผลของกรรม ข้าพเจ้ า, า, จาสมมาทานสัปปุริสถ ส, าา ส, รสถานทั้งแปดประการ น, นี้นนจัถจะถือไว้ให้มั่นคงตามคำสอนของพระบรมศาสดา ถ้าพระเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้าพระเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะขอถึงพระรันตนตรัยเป็นสารณะมีศีลมีศีลสมาทานกุศลกรรมบดสิบสมาทานกุศนกรรมบดสิบจักยึดไว้อย่างมั่นคงจักยึดไว้อย่างมั่นคงพัฒนาให้เข้าถึงพัฒนาให้เข้าถึง เพื่อเป็นปัจจัยแก่การพ้นท the like ุกข์เพื่อเป็นปัจจัยแห่งการพ้นทุกข์ขอน้อมถวายวัตถุทานเหล่านี้ขอน้อมถวายวัตถุทานเหล่านี้ซึ่งมีแสงสว่างเป็นประธานซึ่งมีแสงสว่างเป็นประธานและมีบริวารอย่างมากมายและมีบริวารอย่างมากมายน้อมถวายบูชาคุณของพระรัตนตรัยในครั้งนี้น้อมถวายบูชาคุณแห่งรัตนะ วัตถุทานททานี้จงเป็นปัจจัยแก่ธรรมะบูชาขรร้าพาเจ้านำวัตถุทานาาา น, ททานี้ถวายเป็นอามิสบูช า, า, เ, ชาเพื่อทำธรรมะบูช า, รรรชาคือศรัทธาวิรยะสติสมาธิปัญญา ปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจให้เกิดขึ้นในจิตใจเพื่อน้อมถวายเป็นธรรมบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นธรรมะบูชาแด่พระรัตนตรัยแด่พระรัตนตรัยบุญกุศลที่ได้กระทำนะครั้งนี้บุญกุศลที่ได้กระทำนะครั้งนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสได้มีโอกาสรู้ธรรมรู้ธรรม ต า, ตามคำสอนของพระศาสดาตามคำสอ น, สอนของ<า>พระศาสดา พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดพระพุทเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดขอข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมขอข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ของพระองค์ในการอันควรด้วยเธอในการอันควรด้วยเธอแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาแห่งบวรพระพุทธศาสนา